แนะนำบทฟุตซิลัสบทนี้เป็นบทมักกิยามีห้าสิบสี่องค์การที่ความสนใจในด้านหลักอักีอิสลามียะคือการให้ความเป็นเอกภาพสารการฟื้นคืนชีพและการตรอบแทนบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงอันกุรานซึ่งถูกประทานมาจากพระผู้ทรงเมตตาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์อันกระจ่างชัด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 อัลกุรอานี้ได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอคำผีซึ่งองค์การทั้งหลายได้ให้คำอธิบายไว้อย่างละเอียดเป็นอัลกุรอานภาษาอับกฤษสำหรับกลุ่มชน ทีีม่มมควารู้ هم هم เป็นการแจ้งข่าวดีและเป็นการตักเตือนแต่พวกเขาส่วนมากหินหลังให้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ยินก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 และพวกเขาคือพวกปฏิเสธศรัทธาต่อวันกอรอโลกแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี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 คู่เคียง ก, กับพระองค์กระนั้นหรือนั่นคือพระผู้อภิบานแห่งสากลโลกและในพันดินนั้น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 พระจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าให้รำลึกถึงความหายนะเยี่ยงความหายนะของพวกอาดและพวกสมุทรอิดแจทหุมุฟซุลิมิน ب ي มมล أيديهم ล م ن خ ل อ ه م أن ل ล ت ع ب د าอ ل ا ا ل ل า قالوا لو شاء ر ล ن อ لنزل ملاكتم นน ن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 แน่นอนพระองค์จะต้องส่งมาลัยกาลงมาดังนั้นเราจรึงปฏิเสธสภาในสิ่งที่พวกท่านถูกส่งมาแต่ أما عادون فاستكبروا في الأرض لغير الحق وقاروا ال من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون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 ดังนั้นเราได้ส่งลงพายุที่นาวเน็บ มีเสียงกึกกล้องลงมาอย่างพวกเขาเป็นเวลาหลายวันแห่งความหายนะเพื่อเราจะได้พวกเขาลิ้มรสการลงโทษอันน่าอัปยศในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และแน่นอนการลงโทษแห่งปรโลกนั้นย่อมอัปยศยิ่งกว่าโดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ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 และจงรำลึกถึงวันหนึ่งซึ่งเหล่าศัตรูของอัลลอฮ์จะถูกชุมนุมเพื่อเข้าสู่ไฟนรกโดยพวกเขาจะถูกจัดเป็นแถวแถวอจงกระทั้งเมื่อพวกเขามาถึงนรกหูของพวกเขาและตาของพวกเขาและผิวหนังของพวกเขา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 แต่โดยแน่ น, นอนเราจะให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาลิ้มรดการลงโทษอย่างแสนสาหัสและแน่แนอ น, รนรเราจะตอบแทนพวกเขาตามความชั่วที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ ي ي นั่นคือการตอบแพนแก่เหล่าศัตรูของอัลลอฮ์คือไฟนรกสำหรับพวกเขาจะพมนักอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราและบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธากล่าลวว่าโอ้พระผู้มีพรบาลของเรา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 ทะท وا وأ ถะาจมิงล ع ทนบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮคือพระผู้มิบาลของพวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้นมาลกิกะจะลงมาหาพวกเขาโดยกล่าวกับพวกเขาว่า พวกเจ้าอย่าวหวาดกลัวและเศร้าสลดใจแต่จงต้อนรับข่าวดีคือสวนสวรรค์ที่พวกเจ้าได้ถูกสั้นยาวให้เถอดพวกเรา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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطون علينا أ ف م ن ي ل ق ى ف ي ا ل ن ا ر خ ي ر ٌ أ م م ن ي َ أ ت ي أ م ن ا ي و م ِ ا ل ق ي ا م َ ة ِ ع م ل و ا م ا ش ئ ت م ط ن إ ن ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر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 ออลารกวแท้จริงบรรดาผู ath, ้ปฏิเสธศรัทธาต่อข้อตักเตือนของอัลกุรอานเมื่อได้มีมาอย่างพวกเขาและแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นคำภีที่มีอำนาจจริงล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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا ل ق ا ل و ا لولا قصلا آياته أأعجمي وعربي إنه و للذين آمنوا دو وشفاء والذين لا يؤمنون فيه أذانهم وقوله عليهم عما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 และโดยแน่ น, นอนเราได้ประทานคำพีแกมูซาแต่ได้เกิดมีการขัดแย้งกันขึ้นในนั้นแต่มาดว่าคำกล่าวหนึ่งจากพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วก็ ค, คงจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างแน่นอนและแท้จริงพวกเขานั้นอยู่ในการสงสัยจากในคำพีนั้น ب ب ผู้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดกระทำความชั่วก็จะได้แก่ตัวของพวกเขาเองและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นมิทรงอาธรรมต่อปวงบ่าวของพระองค์ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أ ُ ن ث ولا تضع إلا بعلمها ويوم يناديهم أين ش ر ك ا قالوا أ ذ ن ا كما منا من شهيد. أ ا ن و َّ ق َ ع ََ ى ا ل م َ ل ا ئ ِ ك ِ ل ْ م َ ل ِ ك َ ة ُ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ َ ي ع ْ ل َ م ُ و َ ا َ و َ ي َ ع َ و ن َ ا ل َ ق َّ و َ ي ََ م ُ ن َ ا ل ْ ح َََّ ي َ ع ْ ل م ُ و ن َ ا ل ْ ح ََ و َََْ و ن َ ن ْ ت و َْ ل َ ن ََْ ق َ ي َْ ل َ م ُ و ْ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 แ ล, มมและสิ่งที่พวกเขาวิ่งวอรกราบไหวได้เตลิดนีไปจากพวกเขาและพวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขานั้นไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได้แล ان ان สสะจะเสอินสันมิ่ง دعاء อีลขัยอิมเสหอชัรเฟอุสุนขน มนุษย์จะไม่เบื่อหน่ายต่อการยิงบอนขอความดีและเมื่อความทุกข์ยากประสบแก่พวกเขาเข้าเขาก็จะทอถอยหมดอาลัย และเมื่อเราได้เขาลิมรสความเมตตาจากเราหลังจากความทุกข์ยากได้ประสบแก่เขาแน่นอนเขาพ่อจะกล่าวว่า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 อย่างลาาาิลาาัลลและเราได้พวกเขาได้เห็นสัญญาณทั้งหลายของเราในขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเอง